ก็จะเห็นความคิดนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ้็เป็นผู้ดูเหมือนกับที่ที่บอกว่าดูทีวีดูทีวีแล้วมีความรู้สึกกับมันอย่างเงี้ยมีความรู้สึกแต่ว่าเราจะเห็นตัวเราว่าเรามีความรู้สึกกับมันเหมือนเราเป็นผู้ดูผู้ผู้ผดูทีวีอีกทีหนึ่งเออผู้ดูคนดูทีวีอย่าไปดูกับทีวีอย่าไปอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นใช่ไหมคะเข้าใจแต่พูดไม่ค่อยถูก ก็ก็อย่างที่พี่จิมพูดก็ก็ใช่แล้วค่ะก็คือเวลาที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปอยู่กับข้างนอกก็คือย้อนกลับมาดูความรู้สึกข้างในเราเลยว่าว่ามันกําลังปรุงกําลังคิดมีความคิดอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งที่ที่มันมากระทบเราเนี่ยไม่ว่าเห็นโ น, น่นเห็นนี่ได้ยินโ น, น่นได้ยินนี่เนี่ยข้างในมันจะมีความรู้สึกขึ้นมา เห็นเห็นอันนี้เอออันนี้มันสวยอันนี้มันน่ากินเลยเนี่ยอันนี้มันเห็นแล้วไอ้ข้างในมันตะกะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะอารมปมาณนี้คืออย่าไปอยู่กับไอ้สีสันอาหารหรือว่าหน้าตาข้างนอกอะไรเงี้ยแต่กลับมาดูข้างในข้างในเราว่าว่ามันกําลังคิดอะไรกับสิ่งนั้นแล้วก็เห็นเฉยเฉยแล้วก็ไม่ต้องไปคิดต่อเนื่องให้มันไหลไปกับสิ่งน okay? ั้นก็คือเห็นปุ๊บแล้วก็ก็จบตรงนั้นอันนั้นคือคือไปวางแต่เราไม่ต้องพยายามไปไปตัดมันนะคะ ไม่ต้องรังเกียดด้วยบางบางทีเนี่ยความคิดบางอย่างมันจะเหมือนเป็นแบบรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคิดไม่ไดีเราก็พยายามจะกําจัดกําจัดมันรังเกียจมันเลยเนี้ยต้องให้เห็นไอ้ตัวที่รังเกียจเห็นตรงนั้นเลยว่าเนี่ย้กําลังพยายามแบบกําจัดไล่บี้มันอยู่ซึ่งซึ่งตรงนี้บางทีไม่เห็นเราจะไม่รู้ว่าเรากําลังรังเกียจมันยินดียินร้ายกับไอไอความคิดนั้นอยู่ตรงเนี้ยต้องต้องแบบย้อนกลับไปดูอ้อมันมีความรู้สึกบางอย่างกับไอ คือมันจะไล่มาเรื่อยๆไงพี่คือบางบางทีมันจะเห็นอันแรกแต่ไม่เห็นในอันที่ตามมาตามมาตามมาแล้วเวลาถ้าเราเห็นเห็นมีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแม่อะไรเนี่ยเราก็ดูมันเฉยๆไม่ชอบก็ให้รู้ว่าไม่ชอบบางบางทีพอพอรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยมันก็จะมีตามอีกนะว่าพอไม่ชอบปุ๊บดับมันให้ได้เราต้องดับมันเดี๋ยวบาปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องดับมันเราเราต้องเห็นไอ้ตัวไอ้ตัวที่พยายามดับด้วยมันจะไล่มาเป็นฉากๆเลยก็ดับไอ้ตัวไอ้ตัว ข้างหลังสงดุดอะไอตัวที่เกิดล่า ส, สุดเลยอะไรเง네ี้ยพี่คือคือไม่ใช่ว่าดับนะคือคือให้เห็นเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็จบเห็ตัวไม่ชอบแล้วเห็นตัวพยายามที่จะดับไอความที่ไม่ชอบก็ก็ต้องค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆคือแรกๆก็ไม่ค่อยเห็นนะค่ะพี่แล uh> ้ Duncan วแล้วพอเหมือนกับว่าหลวงตาก็บอกก็สังเกตไปเรื่อยๆเราเรามีสติมากขึ้นเราก็จะเห็นได้ได้เยอะขึ้น แต่ถ้าเราเผลอเผลอเพลินเพลินลอยไปลอยมามันจะไม่เห็นใช่คือในระหว่างวันเนี่ยก็ก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ก็เห็นเห็นเมื่อเมื่อสมมุติว่าอ่าอันนี้เราพยายามว่าไม่ไม่เผลอไม่เพลินมากแล้วเราจะเห็นเราจะเห็นก็พยายามพยายามฝึกไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกดวงตาก็บอกว่าให้ฝึกให้ดูให้ละเอียดขึ้นค่ะค่ะสรุปก็หลวงตาหลวงจินก็ดูอ้มีสติให้อยู่กับพุทโธให้เป็นฐานของจิตก่อนใช่ไหมคะ แล้วก็ดูความคิดโพราะบทีบริการพุทโธมันขัดขัดเหมือนกันค่ะหลวงตาเราบริการพุทโธแล้วรู้สึกมัน <Costa> ข <Yok dumping> ัด <nicht> ข <viendo> ัดขัดขัดเนี่ยเราก็แต่อีกั้นเราก็อย่าหลงอย่าหลงอย่าหลงไปกับอะไรอย่าส่งจิตออกนอกทุกวันปัจจุบันอย่าส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์เพราะว่าที่ให้บริการพุทโธพุทโธไว้เพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองว่าไม่ให้หลงสรงจิตออกนอกไปหาอารมณ์ สรงจิตออกนอกไปหารูปที่ตาเห็นแต่ไม่ตติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจพอเราเห็นรูปเราก็ไปเห็นแต่รูปแต่เราไม่ได้สังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าใจเราเนี่ยมันมันวิภากควิจารณวิเคราะห์วิจารณ ว, วิจัย ร, ร, ร, รูปนั่ น, นในใจเราว่าอย่างไรได้ยินเสียงได้กินหรือเรากินอะไรอยู่เนี่ยหรือว่ามีอะไรสัมผัสร่างกายเราอากาศล้อนอากาศเย็น เย็นร้อนอ่อนแข็งที่มาสัมผัสร่างกายเราหรือว่ามันมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นภายในใจเราไม่ว่าจะสบายใจไม่สบายใจไม่ว่าจะมีอาการที่มันโป่งโล่งสบายไม่โป่งไม่โล่งไม่โปรโบสบายอย่างไรสิ่งเหล่านั้นนะมันจะต้องไม่มีความหมายต่อใจเราเลยเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ทั้งหมดถ้าอารมณ์ที่ถูกรู้ทั้งหมดไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเนี่ยเราไม่ต้องบริการพุทโธก็ได้เราก็มีสติ ตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ที่ใจสังเกตที่ใจแล้วที่ใจปล่อยวางที่ใจว่ามันนวจิตวิญญาณาขาคารเนี่ยเวลาเมื่อไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเอามาคิดเอามาวิเคราะห์เอามาวิพ า, า, าควิ <HHHH> าคจารณ์อยู่ในใจว่าอย่างไรเหมือนพูดอยู่คนเดียวตึกตองุุุุุตลอดเวลาในใจเนี่ยไม่เคยหยุดเลยตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเสียววินทีเดียวถ้าเราไม่เห็นว่า ตัวเราเนี่ยมีอาการอย่างไรในใจเนี่ยพึมพำพึมรำเหมือนกับมีอาการกับเพื่อนมีอาการไหวตัวอยู่ภายในจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยซักเสี้ยววินาทีเดียวที่เราไม่เห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าใจเราสบายนิ่งเฉยไม่ไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ตึกไม่ได้ตองไม่ได้วิเคราะห์วิจารวิจัยสิ่งใดไม่ได้เอาสิ่งใดมาภาพไม่มีอาการโอ่งโลกเบามาสบายไม่มีอาการแน่นไม่มีอะไรเงี้ยนี่ผมมีอาการโองโลคบาสบายมีอาการว่างเฉยเฉยใด แต่เราก็เห็นว่าในความโผงโล่งสบายในความอึดอัดทึบไงก็ตามมันมีตัวเราเนี่ยบนอยู่คนเดียวภากอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวเช่นว่าข้อนี้มันโล่งมากเลยเออมันสบายมากแล้วข้อนีมันแน่นอย่างนี้มันอึด อ, อัดอย่างนี้ทึบๆอย่างนี้เอ๊ะมันเป็นยังไงอ่ะอทําอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยมันทำไมที่เป็นอย่างาเนี้ยก็ง ง, กงหงงหงงหงงหงงหงห ง, ห ง, หงหอยู่เนี่แหละเราก็เห็นมันเนี่ย วตัวเราเนี่ยพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดพูดอยู่คนเดียวเนี่ยบ่นอยู่คนเดียวภาคอยู่คนเดียวปรึกษาตัวเองอยู่คนเดียวจะูลอดเวลาเลยปรึกษากับตัวเองเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยเราไม่ต้องบริการพุทโธเท่าไหร่เนี้ยเราก็สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตที่ใจละที่ใจไปวางอยู่ที่ใจที่มันออกมางุงงงงงงุงงในใจเราเนี่ยแต่ใจเนี่ยเขาไม่มีตัวตนหรอกเป็นที่เกิดที่ดับของจิตของตัวเราที่มาภาค ใจแต่ใจไม่มีตัวตนหรอกเพราะว่าใจมันเหมือนกับความว่างเปล่าของจักรวาลตัวตน ไ, ไม่มีมีมีอะไรเกิดขึ้นในใจแล้วเราปล่อยวางตลอดเวลาเราไม่ต้องบริกรรมก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราเหม่อไหมเหมื่อเผลอเพลินเนมอคิดอะไรไปเรื่อยอย่างนี้เนี่ยตัวนี้ที่ให้บริกรรมไว้เนี่ยเาที่ให้บริกรรมไว้ก็เพราะว่าใจเราไม่อยู่กับตัว ใจเราไม่อยู่กับตัวเราต้องฝึกให้ใจอยู่กับตัวซะก่อนพอใจอยู่กับตัวแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยวางทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจที่มีกิริยาการในใจทั้งหมดพอเราปล่อยวางตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องบริกรรมอะไรเพราะวาความปล่อยวางอันนั้นแนีะยเป็นเครื่องอยู่ของใจแล้วปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตลอดเวลานะั่นคือเครื่องอยู่ของใจเข้าใจไหมอืมอนั้น ถ้าเราจะไม่ไม่บริการพุทโธเราก็ต้องปล่อยวางต้องปล่อยวางในใจเราตลอดเวลาทุกคิดทุกอาการที่มันเกิดขึ้นเราอย่าปล่อยให้มันเหม่อเผอเผินคิดไปถึงคนนั้นคนนี้คนนั้นนั้นนี้เรื่องราวอดีตเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องลูกเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่อย่างนี้ก็ถ้าเราเนี่ยยังไม่ปล่อยวางทุกขณะจิตในใจที่มันเกิดขึ้นเราต้องมีพุทโธไว้บริการพุทโธพุทโธไวเพื่อให้ อ้จิตใจมันกลับไปอยู่กับตัวเราแต่ถ้าใจมันอยู่กับตัวอยู่ตลอดแล้วก็มีหน้าที่ปล่อยวางอย่างเดียวไม่มีหน้าที่ทำอะไร